การเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยที่พระอาจารย์เทศเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นการมราคานุสัยกับปฏิคานุสัยเนี่ยมันก็จะรู้ถ้าราคานุสัยม่มีมีแต่ราคานุสัยอ๋อค่ะราคาราคนุสัยราคาคือมันมีคะราคาอควราคาราคนุสัยกับแต่เอาราคไปไว้กับการมก็เป็นการมราคา อาการไปไว้กับรูปก็เป็นรูปหลักฮะเออเอาราคาไปไว้กับรูปก็เป็นรูปหลักฮะเอาราคาไปไว้กับอาลูกก็เป็นอาลูกหลัก <c oughs> เช่นการทำฌานจะเป็นอลูกหลักค่ะยังไงทีนี้ท่นี้ท่านี้ราคาลูสัยกับปฏิคานุใสเนี่ยะคะ่ะมันมันก็พอที่เราจะมองเห็นได้ชัดนะคะ่ะแตอ่อาวิชานุใสมันชัด มันชัดเหรอคะมัน<ช>ทา่านเราจะดูยังไงร<ล>ู<ด>้เลยว่าอทุคคามสุขเวทนาเกิดขึ้นอวิชางิสัยแนบอยู่กับอทุคคมะสุขเวทนานั้นแน่นอนหมายถึงว่าเวลาเฉยๆเกิดขึ้นไม่ยินดีไม่ยินไรอะไรอวิชาแนบอยู่กับจิตแน่นอนเฉยๆนั่นแหละอวิชาครอบงํานี่มันเฉยๆนี่มันไม่ค่อยรู้ตัวก็ก็บางครั้งก็เฉยก็รู้สิว่าเฉยมันจะรู้ตอนที่มันอ่า ผมว่าันนั่งแล้วเมื่อยอ๋อมันเมื่อยอ่ะอันนี้ก็ปฏิสัมพันธ์คุยแล้วมีความสุขก็อ๋ออันนี้รักแต่พออยู่เฉยๆๆเนี่ยใจมันไม่ไม่ค่อยได้ไประลึกถึงที่อะสังเกตไม่เวลาเราอยู่เฉยปุ๊บจิตใจเราจะคิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนี้เวลาไม่มีอารมณ์ใดมากระซบนะจิตจะคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ทําไมมันต้งคิดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยทําไมมันไม่อยู่เฉยเหมือนกับการกับเวทนา ใช่คิดมันก็คิดก็จริงอยู่แต่ทําไมมันมันคิดถึงขีไ้ไปไปเรื่อยสเปซสาปะอะไระพวกนี้น <c oughs> ก็พอเพราะอวิชชาทุสัยมัน <c oughs> มันนอนเงื่อนมันพาให้คิดพอไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าขนาดนี้มันเฉยถ้าเรามารู้สึกเาขาถึงไม่ให้ให้มีการฝึกสติไง <c oughs> นั่งก็รู้ชัดว่านั่ง <c oughs> ยืนก็รู้ชัดว่ายืน <c oughs> เดินก็รู้ชัดว่าเดินนอนก็รู้ชัดว่านอน ถ้าเราฝึกสติอย่างนี้อาการคิดแบบสายแสก็จะไม่มีแต่จะมีการคิดอยู่ในธรรมคิดตั้งอยู่ในธรรมอันนั้นมีคิดตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันนั้นเป็นเป็นความคิดที่ดีไม่ถูกอวิชชาครอบงาแต่ถ้าคิดสายแสไปเรื่อยมือรอยฟื้นโกไปตามแต่สภาพของใจมันจะดึงอารมณ์อะไรออกมาเป็นเครื่องคิดเครื่องปรุงเพราะจิตมันจะต้องสวยอารมณ์หรือเสีอารมณ์ในตัวของมันถ้าไม่มีอารมณ์เสีไม่มีอารมณ์ตั้งมั่นให้มันเกาะมันก็เกิดไม่ได้ จิตก็ไม่สามารถสื่อต่อจิตต้องอาศัยอารมณ์จึงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ต, ต, ต้องมีที่ตั้งที่พึ่งกันแล้วเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทอาศัยกันเกิดขึ้นก็ถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าแสดงว่าเรามีความคิดที่สายแสงมือลอยฟุง้งฟุ้งนี่ฟุง้งุงเป็นลักษณะฟุ้งด้วยอำนาจของ อวิชชาหรือว่าอํานาจของอทุคามสุขเวทนาที่เวลาเฉยๆแล้วไม่มีอะไรจะทําจิตก็ถูกปล่อยออกไปโลกเป็นการปล่อยจิตปล่อยใจออกไปโดยไม่ได้รู้สึกตัวการขาดความรู้สึกตัวได้จิตใใจนี่เนี่อวิชชาพูดใส่ก็ครอบงำอยู่เรื่อยๆทุกคะแต่การการฟุ้งนนี่เป็นการฟุ้งด้วยอํานาจของกิเลสแต่การฟุ้งในอํานาจของธรรมคาลิวัตธรรมมูทัพฟุ้งไปในธรรมอันนั้นการฟุ้งอย่างนั้นไม่มีไม่มีโทษ แต่ได้รับความเหนื่อยล้าเพราะมันจิตฟุง้งซ่านนะไม่มีโทษแต่ก็ได้รับความเหนื่อยล้าแค่นั้นแหละความเหนื่อยล้าก็มันก็ไม่ใช่กิเลสความเหนื่อยล้าเป็นแค่ทุกขปัสสัจจะแต่การปล่อยให้จิตเหมื่อยลอยอันนั้ น, นมีโทษเพราะเราไม่รู้อาการอย่างกิตว่ามันหลงไปในอดีตบ้างหลงไปในอานาคตบ้างสิที่มันหลงไปในอดีต ก็เพราะว่ามันไม่พอใจในปัจจุบันหรือไม่รู้จักปัจจุบันและกับฝุ่โรูปแนอัในอนาคตพาเพราะว่าเพะว่าขาดสติในขณะรู้อยู่ในปัจจุบันนี้โดยรวมแล้วมนุษย์แท้ที่จริงแล้วคนทั้งหลายเนี่ยจะอยู่กับอาทุคขมาสุขเวทนาโดยส่วนมากแต่มนุษย์ไม่ค่อยรู้ว่าเราอยู่กับความเฉยเป็นส่วนมากเราวิ่งไปจับเอาความสุขกับความทุกข์จนเคยชินว่ามีสุขหรือทุกข์มันก็ทบ จึงปรากฏเป็นอารมณ์ภายในจิตแต่ที่แท้แล้วเฉยๆก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งพอะเราไม่รู้จักอาทุเข้ามาสุขเวทานานะคือความเฉยนี่เองจิตเราจึงมือไปในอดีตบ้างแล้วก็จมปัดอยู่กับอารมณ์บางอารมณ์แล้วก็คิดตึกนึกไปในอนาคตบ้างอันนี้หมายถึงการตึกนึกแบบสายแสนะไ ม, ไ, มไม่ใช่แบบมีสติมีอะไ ร, ไรแบบสายแส มันเลยทำให้มนุษย์หลงในอดีตพวงอนาคตเพราะไม่รู้จักปัจจุบันคืออะไรก็ตามในปัจจุบันไม่ค่อยพอใจกับมันไปยินดีแต่ในอดีตหรืออนาคตไม่พอใจกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันของต น, นคือไม่รู้จักปัจจุบันนั่นเองก็เลยหลงทวกอาการแห่งจิตที่มันเป็นอย่างนั้นก็อาวิชากระเพานะทำให้เกิด ค, ความหงผิดพอใจผิด หากเรารู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สังเกตอนุสัยนอนเรื่องที่มันแนบมากับเวทนาทั้งสามพุทธเจ้าบอกว่าคนคนนั้นตั้งใจที่จะกำหนดรู้อย่างเดียวในเวทนาทั้งสานี้สามารถพ้นจากกองทุกข์ได้ข้าห่วงแห่งโกรธได้นี่เป็นคําตรัสใบตามตายตัวเลยนะพุทธเจ้าตรัสใบต า, ตายตัวเลยนะไม่ต้องทำอย่าง อ, างอื่นอีกก็ได้ทาแค่รู้เวทนาทั้งสาม ไ ว, ว้ใจตัวเ ร, วเรวื อ, อ่าคนได้เข้าใจหรือยังแสดงว่าถ้าถ้าเราทันีที่เรารู้ตัวเรากาลังิุ้งซ่านก็คืออันนั้นให้ทักตัวเองว่าอันนั้นคืออภิชาติใยสังเกตเวลาเราไปทำสามาธิจิตสงบัหมเวลาไปนั่งสามาธิจิตสงบัหมมันก็ไม่สงบนะ ทำไมมันไม่คิดเวลาเราเราทำสมาธิทําไมเราไม่คิดเป็นเพราะอะไรพราะเรามีความตั้งใจที่จะกระทํานี่มั้งความตั้งใจนี่เองคือสติหรือว่าความตั้งมั่นความตั้งใจพอ ม, มีความตั้งใจสร้างความรู้สึกไปในกายหรือว่ากําหนดรู้ในกายปั๊บมันจะตัดทําลายอาวิชชาไปแล้วในขณะนั้นอวิชชาที่น้อนเนื่องมากับอนุขเข้ามาสุขเวทนา ตอนทำสมาธิเป็นอัตุขะมสุขเวทนาแม้แต่ น, นั่งอยู่ในเวลานี้ก็เป็นอัตุขมสุ ข, สขวเวทนาแต่เราก็ได้ปล่อยให้อัตุขมสุขเวทนานี้ให้อวิชชาคร้องกัเพราะเรากำลังฟังเรื่องของมันอยู่มันก็เลยคล้องกังไม่ได้แต่เวลาอาอกนอกเหนือไปไจากนี้เดินจากนี้ไปก็เป็นอัตุขะมสุขเวทนาเพราะยังไม่ปรากฏเป็นทุกข์ชัดหรือไม่ปรากฏเป็นสุขชัดก็เป็นอัตุขมสุขะไม่ปรากฏสุขหรือทุกข์ขึ้นมาแทรกในระหว่างแห่งกายสังขาร แล้วเราก็เหมือนแล้วเราคิดคิดนี่ใชต่างจากการทําสมาธิบางคนทําสมาธิไม่ได้เพราะตรงนี้นี่เองเพราะไม่เข้าใจหลักปัจจุบันเพราะมัวแต่ไปพยายามควบคุมจิตแต่ไม่พยายามทําความรู้สึกไว้กับปัจจุบันตัวเองให้ฝึกเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจภายในปัจจุบันพ่ารู้ปัจจุบันทำไมมันรู้ยากจังก็พอบรรลุยากนี่างผู้จึงให้ฝึก เพรเรามันค out.. ุ้นเคยกับอดีตใช่ไหมล่ะคุ้นเคยกับอดีตไม่รู้เป็นยังไงนะเรื่องอดีตไม่คุ้นเคยกันเลยคิดเรื่องวัคิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดได้คิดเรื่องตอนนี้คิดสิคิดยังไงคิดตอนนี้คิดเรื่องที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่เกิดอยู่ตอนนี้ที่ลำนองอยู่ตอนนี้คิดยังไงก็ต้องคิดเข้าไปในเนี่ยเส้นผมคนเล็บฟันไหนเมื่อนี่เพราะตอนนี้คือไกลตั้งอยู่นั่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะเรามันไม่มีเหตุการณ์ใช่ไหมล่ะ มันไม่มีเหตุการณ์ให้เรานึกย้อนกลับไปว่าวันนั้นทำอันนั้นวันนี้อันนี้ตอนนี้มันกำลังยังไม่เกิดอะไรยังไม่เป็นอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรให้คิดเราก็เลยเมือไปกับอดีตเพราะมันมีเรื่องให้เสกให้คิดหรือไม่มีเรื่องอดีตให้คิดก็ไปขุดคุ้ยขุดคุ้ยอารมณ์ในภวังออกมาอีกอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เคยเป็นเอประสบมาเพื่อเสพเพื่อสวยจิตนี่มันกินอารมณ์ กายกินอาหารจิตกินอารมณ์ถ้าไม่กินอารมณ์มันตายจิตมันเลยเลยหาอารมณ์มาเสพตลอดเวลาเจตสิกก็เลยเป็นเครื่องประกอบจิตปรุงแต่งจิตให้จิตได้ตั้งอยู่พี่เจ้าจิตเมื่อรู้นิพพานปั๊บไม่กินอารมณ์แล้ไม่เสพอารมณ์แล้เสพระนิพพานรู้รู้อารมณ์นิพพานอารมณ์ทั้งหมดมันไม่เป็นที่ตั้งเห่งกันไม่ไม่พอใจที่จะกินอารมณ์ ไม่ยึดถืออารมณ์ในอารมณ์หนึ่งไม่ในใจเกิดขึ้นรับรู้สัมผัสดับไปตามภาวะของมันไม่พร่ำโผ่พร่ำบนพร่ำควรล่ำไรล่ำพันหาเพราะรู้นิพพานชัดเจนมันก็มันก็อยู่กับตัวเของตัวเได้เพราะนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมนิพพานไม่ใช่อนาคตนิพพานไม่ใช่อดีตนิพพานเป็นปัจจุบันธรรม เพื่อนิพพานเป็นปัจจ like uh ุบ huh. really uh ันธรรมแต่ไม่ใช่ปัจ <te> จุบันธรรมของของความเป็นอยู่ของสังขารแต่ความเป็นอยู่ของสังขารในปัจจุบันหน่วงนิพพานมาเป็นอารมณ์จิตก็ดำเนินอยู่ในกับนิพพานเป็นอารมณ์แต่เมื่อถึงคราวปัจจุบันแห่งการดับไปของกายสังขารนี้ดับไปพวกนิพพานไม่ได้เป็นอารมณ์แล้วนิพพานเป็นิพพานนะนิพพานไม่ไม่ใช่ว่าเป็นปัจจุบันธรรมเพราะอยู่นอกเหนือเพื่อเป็นภาวะแห่งความพ้น อยู่นอกเหนือกระบวนการการทัศนไม่ได้อยู่ในการทัษา์แล้วถามว่าพอดับรอบบทกายดับระบบจิตดับแล้วอะไรเป็นผู้เข้าสังขารเอออะไรเป็นผู้เข้ า, านิพพานตรงนี้ก็ต้องเป็นปจัจจตังเฉพาะตนพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่า ใครเป็นผู้เข้านิพพานเพราะไม่มีอุปาติคืออุบัติขึ้นไม่มไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิไม่มีไม่มีการไปคือไปก็ไม่ได้ไม่มีการมามากลับมาก็ไม่ได้นี่มีการกลับมาพระพุทธเจ้าับอกว่าเราตถาคตจะไม่ปรากฏในที่ในนาอีกอิบานังประมังสุญยังสุญยังนี่ไม่ใช่ขาดนูญนะสุญยังในความหมายภาษาบาลีเนี่ยสุญยังสุญญะแปลว่าว่าง เลามองไปว่าอย่างยิ่งว่างอย่างยิ่งคำว่าว่างอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่ว่างแบบฌานหรือไม่ใช่ว่างแบบสมาธิว่างอย่างยิ่งนั้นว่างจากสังคตธรรมทั้งหมดฌานกับสมาธิยังเป็นสังคตธรรมอยู่แม้จะมีความว่างก็ว่างแบบสังคตธรรมมีอุเบกขาญาณอันบริสุทธิ์แค่ไหนก็ตามก็เป็นสังคตธรรมในนิพพานไม่ใช่อุเบกขาญาณเป็นอสังคตธรม คือไม่ต้องไปวางเฉยต่อสิ่งที่มาสัมผัสตามที่อยู่นี่ไงไม่มีการวางเฉยไม่มีกิเลสนิพพานเป็นสภาพแหงความดับสังขต ธ, ธรรมทั้งมวลพอมันดับสังขต ธ, ธรรมได้แล้วก็ก็หมดปัญหากันไม่มีปัญหาอะไรกับอะไรมันมีปัญหาแต่กับอยู่ในโลกนี่เลยมันมีปัญหาอยู่กับนิพพานไม่มีปัญห า, า, ญหาแล้วที่เขาบอกไปนิพพานไปนิพพานอะไรเป็นผู้ไปมันมันเป็นสำนวนที่ใช้พูดถึง เพื่อการไปเปรียบประดุจการการนั่งเรือข้ามฝัง่งอเป็นสํานวนการพูดถึงว่านั่งเรือข้ามฝัง่งมันก็เลยเหมือนมีการไปถ้าถ้าข้ามไปฝัง่งมีคนลงจากเรือแล้วขึ้นฝัง่งก็แสดงว่ามีการเข้านิพันธ์ใช่ไหมละ่ะหากมีการเข้านิพันธ์ก็เท่ากับมีการอุปาติอุบัติขึ้นเกิดขึ้นถ้าเกิดก็ต้องแก่เจ็บตาย คนแยกสํานวนวัวหารอุปมาวูมไม่ออกไปตีความหมายในปุคลาธิฐานกับธรรมธิฐานผิดอสังขตังบอกชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นอสังขตังไม่มีสังขารไม่มีการปรุงแต่งหากจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงในสํานวนวัวหารแบบสังขตะเพื่อให้เข้าใจอสังขตะงฝ่ายนิพพานแล้วนะควรจะอธิบายว่าขณะที่เรานั่งเรือไปอยู่พอถึงฝั่งปุ๊บเราเก้าวเหยียบเรือก้าวเหยียบ ออกจากเรือแล้ววางเท้าไว้ที่พื้นฝั่งนั้นปับ๊บเท้าเราก็สลายไปหมดเลยตัวทั้งตัวพอไปถึงมันดับหมเลยดับหมดแ ล, ดดล้ไม่มิไม่มีตัวของผู้เข้าไปอยู่ในนั้นไม่มีตัวของผู้เข้าไปอยู่ในนิพพานดับหมดหากจะพูดอย่างนี้นะเพราะฝั่งของอาสังฆตานั้นไม่มีตัวตนของผู้ใดเป็นุติไม่มีอุปติคือพอเข้าไปปุ๊บตัวเนี้ยดับสลาย จริงๆมันดับตั้งแต่อรหัตมตมัคคิจทำหน้าที่ในการรู้แจ้งนิพานเป็นผลลจิตนั้นแล้วเรียบร้อยมันมันละลายมันสลายตอนนั้นแล้วสังขตธรรมทั้งหมดดับหมดแล้วดับตัวหมดเลยดับดับทั้งหม ด, ดับ่ครใช ตอนนั้นเคยเปรียบเทียบอะไรให้ฟังเนาะตอนนั้นเปรียบเทียบเหมือนเศษรกระดาษเหมือนกระดาษกระดาษอย่างเงี้ยจะเป็นสังคตธรรมใช่ไหมสิ่งปลูกแต่งมามันมาจากไหนมาจากต้นไม้ต้นไม้ที่เขาเอามาทำต้นไม้มาจากไหน ธาตุในดินใช่ล่ะธาตุในดินธาตุดินน้ำไฟลมคือพันแห่งมเมล็ดพืชที่เมื่อเมื่อไรก็ตามที่ดินน้ำไฟลมประกอบการรวมตัวกันเข้ากบความพร้อมเพียงแห่งกูตุล ด, ดูและโอชาในดินและสภาพเอื้ออํานวยต่อให้ต่อการให้มเมล็ดพันธุ์นั้นก่อเกิดมันก็เกิดขึ้นคืออาศัยเหตุจึงเกิด นะต้นต้นต้นมเมล็ดพันธุ์ไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดแต่ความเป็นพันธุ์มันมีอยู่คือโดยธาตุของพันธุ์พันธุ์แห่งมเมล็ดพืชนะโดยธาตุนั้นมีแม้จะไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟมีลมก็ตามโดยธาตุทั้มันมีเป็นรูปประธาตุมาเมล็ดพันธุ์เชื้อแห่งพันธุ์ไม่มีใครปลูกหรอกไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาปลูกแต่เมื่อมีการรวมตัวกันแห่งธาตุเพื่อไหไรเหตุปัจจัยพร้อมเพียงต่อการก่อเกิดมันก็จะหยั่งล่ากสู่พื้นแล้วก็งอกตัวของมันขึ้นมา เมื่อดินน้ำไฟลบแตกสลายมันก็สลายใช่ไหมล่ะมันก็สลายมันไม่มีแต่มันไม่มีโดยความเป็นการรวมตัวกันเกิดขึ้นองอกเงยเป็นลําต้นแต่มันมีอยู่โดยความเป็นาธาตุแห่งพันุ์แห่งเมล็ดพืชเท่านั้นเข้าใจไหมมีอยู่โดยาธาตุใช่ไหมล่ะทีนี้เมื่อมันถูกสังกัดธรรมทั้งหมดปูงแต่งขึ้นก่อให้เกิดเป็นต้นไม้ปั๊บต้นไม้ก็ถูกกรรมวิธี โดยความรู้ความสามารถของมนุษย์เอามาเป็นกระดาษเอาใยของมันมาพอเป็นกระดาษปั๊บประดุดดังมนุษย์เราเดิมทีไม่มีมนุษย์อยู่แล้วแหละมนุษย์ไม่มีเดิมทีของมนุษย์มันเกิดเป็นอุปติกัดขึ้นเมื่อต้นกลับแล้วมนุษย์ต้นกลับนั้เป็นอุปติกัดผุดเกิดขึ้นโดยอะไรโดยกระบวนการแห่งปรากฏการทางธรรมชาติดินน้ำใส่ดมเป็นรูปตัวกันจึงมีมนุษย์ขึ้นพอมีมนุษย์ขึ้นมาปั๊บ มนุษย์ก็สืบเชื้อสายมาเหมือนกับเป็นกระบวนการแห่งการเหมือนกับกระดาษเนี่ยทํากันมาทํากันมาผลผลิตของมนุษย์ตัวคือมนุษย์สืบเชื้อสายกันนี่คือผลผลิตจากต้นไม้คือเป็นกระดาษจะเป็นถุงนองนี้ทีนี้กระดาษนี้เมื่อมันถูกเผาเผานะเผาเรียบร้อยแล้วมันเหลืออะไรเหรือขี้เถ้าขี้เถ้านี่คือกระดาษนหมไม่ใช่ไม่ใช่ เคยเป็นกระดาษแต่ไม่ใช่กระดาษในคราวที่กลักนี้พินาศถูกไฟเผาไหม้โลกทั้งใบนี้พินาศลง ม, มนุษย์ไม่มีไม่ถึงเทวโลกเทวโลกหกชั้นเทวดาหกชั้นถูกไหม้หมดไม่มีไม่เหลือพ ม, ม่าโลกสิบเอ็ชั้นถูกเผาไหม้หมดเดลชั้นโลกเปตโลกอสุรกายโลกนรกโล ก, โลกถูกเผาไหม้หมดไม่เหลือเอาแล้ว วดวงจิตดวงใจทั้งหมดอยู่ที่ไหนกลับไปสู่ธาตุเดิมแต่ดาษที่ถูกเผาแล้วกลายเป็นขี้เท่าขี้เท่ากลับไปสู่ดินธาตุเดิมใช่ไหมธาตุเดิมดวงจิตก็กลับไปสู่ธาตุเดิมเอาไหนบอกว่าไม่มีธาตุเดิมคำว่าเดิมในความหมายนี้หมายความว่ากลับไปสู่ความเป็นที่เคยจิตเคยเป็นแต่ตัวจิตนั้นไม่มีตัวเดิมแต่กลับไปสู่ความเป็นที่จิตเคยเป็น จิตดวงนี้ที่เคยเป็นแต่อดีตฟางก่อนเข้าใจไหมเาเรียกว่าปูเลปูเลก่เหตุปูเละชาติก่อนฟางก่อนความเป็นมาแต่ก่อนก่อน น, นนะคืออาพาธารจิตหมายถึงว่าอันนี้ก็คือคือมาจากต้นไม้แต่เมื่อถูกเผากลับไปสู่ดินก็คือกลับไปสู่ธรรมชาติที่มันเคยเป็นมาแต่ แต่การกลับไปสู่ธรรมชาติที่มันเคยเป็นมามันไม่ใช่กลับไปเป็นแบบเดิมนะไ ม, ไม่ได้กลับไปเป็นแบบเดิมแต่เป็นธรรมชาติที่มันเคยเป็นมาเหมือนเหมือนแต่ก่อนๆเหมือนแต่ตามสายของการก่อเกิดขึ้นจิตเหมือนกันทั้งเทวโลกพมารโลกทั้งมนุษยโลกเปตะโลกอสุรกายโลกนรกโลกถูกไฟเผาพินาศหมดแล้วเหลือแต่อภัสราอขาบอกางั้นนรกก็ดีสิจะได้พ้นจากวิบากนันที ดวงจิตที่อยู่ในนรกมีกรรมวิบากหนักอยู่ดวงจิตนี้ก็จะถูกดึงไปสู่จักรวาลอื่นที่มีนรกเหมือนกันก็ไปชดใช้นรกในจักรวาลอื่นจักรวาล น, นี้พี่นาจักรวาลอื่นยังมีอีกมีแสนกุดจักรวาลไม่ใช่มีจักรวาลเดียวอยา่าเข้าใจว่าจักรวาล น, นี้พี่นานจะพวกอยู่ในนรกก็จะพ้นไม่พ้นเมื่อจิตกลับไปสู่อาพสาสระ อาภัสสร า, านั้นไมไ่เรียกว่าจิตนะเขาเรียกว่าอาภาัสสรผู้ยาี่ช้คําว่าอาภัสสระทีนี้มันจะเป็นจิตได้ตอนไหนเมื่อถูกปรุงแต่งพูดได้ไหว่ามันจะกลับไปสู่ความเป็นรัศมีว่าเป็นแสงในห่วงอวบการไอ้แสงเนี่ยมันเป็นธาตุอันหนึ่งข้วาวบัธาตุอาภัสสรธาตุอาภัสสรความรัศมีความมีรัษมีภายในตัวเอง เป็นธาตุ่งเราก็ปรากฏว่ามีแหล่ธาตุบางแหล่ธาตุที่มันมีมีแสงภายในตัวเองใช่ไหมล่ะมันเป็นแหล่ธาตุอันหนึ่งแล้วก็ล่องรอยไปได้ด้วยแหลธาตุประเภทนี้เอาทิ้งทก็มีก็ปรากฏเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกว่าจิตคือธาตุอันหนึ่งมันเป็นธาตุแต่เป็นนามาธาตุไม่ใช่รูปธาตุมันอยู่ที่ว่าจิตจะเข้าไปคุกคีอยู่กับรูปธาตุหรือเปล่า พอมันกลับไปสู่อัปสัลแล้วปั๊บก็มันกดนน็ดำลงอยู่อย่างนั้นด้วยการระยะเวลายืดยาวนานก็ดำลงอยู่อย่างนั้นนานๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกพอเกิดการเปลี่ยนแปลงปับ๊บก็ก็เป็นอุปปฏิกัขึ้นมาอีกเป็นโมดุลตนกลับก็สืบเชื้อสายกันะกระบวนการอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับมากลับไ ป, ก ล, บไปกลับไปสู่อัปสระทําทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะไอ้อัปาสรลลาห์ธาตุมันไม่รู้จับพนันธุ์ผานมันเลยดับตัวเองไม่ได้มันเลยต้องมีการกาะอยู่ในลูก แล้วกวนไม่ได้ไมได้เกิดวนไว่าแต่ก็ใช้เวลา ย, ยืดยาวนานก็สุดท้ายก็กลับพินาศถูไฟไหม้ไปหมดก็ย้อนกลับไปสู่ภาวะเดิมของมันภาวะที่มันเป็นแต่ไม่ใช่จิตดวงเดิมเป็นภาวะที่มันผ่านพบผ่านชาติมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งพอกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันไม่สามารถมีที่ตั้งในสังขารไหนได้อีกแต่ตัวของมันเป็นตัวสังขารของมันเองตัวอาพาสละธาตุเมื่อเจตสิกปรุงแต่งจึงเกิดมีจิตขึ้น เจตสิกเตสิกก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติเป็นเป็นนามในธนัตัญญะสัจธรรมันก็อยู่รอบๆตัวอาพาสระนั่ น, นมันเข้าไปปรุงแต่งให้จิตเกิดมีตัวตนขึ้นมามันเกิดเรียกว่าจิตก็เรียกว่าอาพาสระพรมจ า, าจากอาพจจ์อาพาสละธรรมชาติอาพาสระนั้นอาพสาสระธาตุนั้นเมื่อมีเจตสิกเข้าไปปูงแต่งก็เกิดเป็นอาพาสระพรมเป็นเป็นพรมมีวิมานมาีนามกาย มีนาม ก, กายนะั่คือปุงแต่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเป็นรูปร่างอย่างนี้แต่ยังไม่มีเพศตอนนี้มีเพศตอนปรากฏที่มาเป็นอุปปติกาตในโลกมนุษย์แล้วจึงมีเพศขึ้นเพศชายเพศหญิงจึงปรากฏเป็นอย่างนี้ที น, นี้จิตที่เป็นอาพัสละนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอาพัสละอยูน่นะเพียงแต่ว่าเป็นอาพัสละทีะ่นี้เองที่เขาบอกจิตดั้งเดิมเข้าไปเห็นกันเนี่ยจิตดั้งเดิม การไปเิจดังเดิมตัวเนี้ยที่ไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีกิเลสไม่มีอะไรเชื้อบนแต่มันมีอวิชชาคือความไม่รู้มันไม่รู้อะไรไม่รู้นิพพานอยู่ในนั้นทีนี้คนเข้าไปไปไปเห็นอภาสัชรจิตตรงนี้เขาใจว่าตัวเองบรรลุถึงบรรลุถึงนิพพานหรือบรรลุถึงธรรมชาติรู้แจ้งไหมไออาสัชรจิตเนี่ยอาสัชรจิตไม่ใช่ตัวรู้แจ้งรู้แจ้งยังไม่ได้ั เป็นธาตุด้วยน่ะทุกคนเป็นอนภัสระจิตบทผู้เจ้าจึงบอกว่าปัสรลมีดังกิตตังพิภเวดูก่อนพิสุทั้งหลายธรรมชาติของจิตผ่องใสคือเป็น ป, ป, ปัสรลเนี่ยคือมีรัศมีเป็นรัศมีแผ่ซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ในรัศมีนั้นผู้องไม่ได้บอกว่ามันมันไม่มีอวิชชานะมันมีอวิชชาอยู่ในนั้นอยู่ผู้เจ้าเพียงแค่บอกว่ามันผ่องใสไม่ได้บอกว่ามันบริสุทธิ์นะ หรือใครจะบอกว่าบริสุทธิ์ก็ก็แล้วแต่จะตีความหมายอาจจะ บ, บอกว่าบริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าไม่มีกิเลสกิเลสคือเครื่องซ่อมสมองไม่มีแต่อวิชานี้มันไม่ใช่กิเลสนะเป็นร่างเง้าแห่งความทุกข์เขาไม่เรียกว่ากิเลสกิเลสนะมันแค่อารมณ์ที่เข้ามาบังแล้วก็เราจะให้อารมณ์นั้นบังแล้วครอบงําเราหรือเราจะรู้อารมณ์แล้วปล่อยให้อารมณ์ผ่านไปในจังหวะ น, นั้นแล้วก็เข้าไปแก้ไขอวิชชาในจิตในคราวที่กิเลสไม่สามารถครอบงําใจเราได้แล้วก็ไปแก้ไขอวิชชาในจิต คือทำความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นแต่คนเข้าไปบรรลุถึงตัวอาพัสชนะนี่ไปเข้าใจว่านี่คือจิตดั้งเดิมมันไม่ใช่จิตดั้งเดิมไม่ใช่จิตเดิมแท้จิตมันผ่านพบผ่านชาติเกิดดับสืบเรื่องมาไม่รู้เท่าไรกับเท่าไหร่มันสืบเรื่องมาสืบเรื่องมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามภาวะอย่างอารมณ์ที่ปรากฏกับตัวมันไม่มีอะไรเป็นอารมณ์มันก็เอาตัวมันเป็นอารมณ์นะเกิดดับเอาอารมณ์แต่อดีตบ้างอารมณ์อนาคตบ้างอารมณ์ปัจจุบันบ้างแล้วแต่ตัวของมันจะ จนวงเนียวอะไรเป็นอารมณ์พ อ, อดวงจิตดวงนี้ผ่านการรับทราบธรรมเทศนาของพู้ทธเจ้าจนสามารถดิ่งเข้าไปสู่มรรคจิตที่ทำให้พระนิพพานให้แจ้งขึ้นมาปับ๊บปรากฏว่าอาวิชาในจิตที่เป็นอาภาัสละเนี่ยถูกทำลายลงถูกทำลายลจิตพออ า, อาภาัสละนี้พอเชื่อมต่อกับพระนิพพานปุ๊บอายตนะ ของจิต ก, กับนิพพานเชื่อมต่อเห็นแจ้งกันต่อกันและการปับ๊บตัวตนในจิตทั้งมวลหรือตัวจิตนั้นถูกทำลายลงถูกทำลายลงหมดเลยอาพัสดละก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปบรรลุ ถ, ถึงจิตเดิมแท้นั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุจริงยังไ ม, ม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุจริงเป็นเพียงแค่เข้าไปเห็นธรรมชาติที่ไม่มีมณทินไม่มีกิเลสท่านสิ้ เหม ja er. ือนกับดวงอาทิตย์เนี like than, we, quizz, little, Penny, darum, ่ยแสงสว่างแสงจ้าอยู่ตลอดถ้าเราอยู่ใต้ก้อนเมฆถ้าเราอยู่ใต้ก้อนเมฆเมฆมาปิดบังเราก็ต้องเห็นความมืดหรือว่าเราอยู่ภายใต้ความมืดพอก้อนเมฆเคลื่อนตัวผ่านออกไปแสงสว่างก็ปรากฏหรือตะวันตกดินไปความมืดก็ปกคลุมถามว่าตอนที่ตะวันตกดินไปเนี่ยดวงตะวันมันอับแสงหรือดับแสงตัวเองเองไหมคือเขาก็ คนที่ปฏิบัติแล้ไปเห็นอาพัสระจิตเนี่ยเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันมันมันสว่างสวายอยู่ตลอดไม่มีกิเลสอยู่แล้วโดยตัวของมันไม่มีกิเลสอยู่แล้วเหมือนกับดวงอาทิตย์ไม่มีความมืดอยู่แล้วในตัวของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่มีความมืดเขาก็เขาเข้าใจว่าเขาก็รู้ถึงสภาพธรรมอันชั้นลึกชั้นชั้นความละกิเลสจริงถ้าเขาละกิเลสได้แต่เขาละยะละอวิชาไม่ได้กิเลสที่มันเป็นเครื่องปกคลุมเขาละได้เพราะเขาไปรู้ธรรมชาตินี้ พราะแน่นอนว่าธรรมชาติที่มันไม่มีกิเลสอยู่แล้วธรรมชาติอย่างอาภัสรานี่แต่เขาไม่ได้ทำความเขียนเพื่อลักอวิชชาอันนี้แหละทำยังไงก็ตามพขก็ต้องวนกลับมาสู่วงจรแห่งความทุกข์แล้วก็วนจรของกิเลสได้เหมือนเดิมเพราะเขายังดับความไม่รู้ไม่ได้เพราะลักเล่างแห่งความทุกข์เป็นอวิชชาความไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ตัวดวงอาทิตย์ที่สองแสงสว่างในตลอดเวลาแม้กลางคืนก็ยังมีแสงเพียงแต่ว่าแสงมันูุบงัง ในมุมอีกมุมหนึ่งแต่ดวงมัน ม, มีมีแสงสุรัต ถ, ถาระเทศนี้ลองแย ก, กสสารในดวงอาทิตย์ออกไปดิแยกออกไปที่หมดแยกสัสารเป็นตัวกว่ำเงินที่แยกไปหมดแล้วเนี่ยความเป็นดวงอาทิตย์มีไหมผู้ได้ย่อจึงชีช้ชัดลงไปในสัจธรรมนะว่าตัวตนของตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายทัง้งปวงไม่มีเขาว่าสิ่งทั้งหลายทัง้งปวงรวมทงจิตด้วยมันที่มีแต่คนไม่เห็นความไม่มีอย่างนี้ของจิตเน่ะ ไปเห็นแต่ความเป็นทาภัสสรควาของใสควาบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบกันเท่านั้นองใช่เป็นแค่องค์ประกอบเป็นแค่องค์ประกอบที่อาจรย์้าเกิดว่าคนที่เข้าไปเห็นถึงอาภารรรัสสรอย่างที่ว่าเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่รู้อวิชฌาจริงๆก็ยังเรียนว่ายตายเกิดอยู่เขาแค่กําจัด ก, กิเลสเท่านั้นเขาไม่ได้กําจัดอวิชฌานถ้ากำจได้ก็ก็ ใช่ไม่ก็รโสดบันสกาาคามีอนาคามีอัลหันอวิชามอยู่สีระดับอวิชามในชั้นโสดาบันสกาาคามีอนาคามีอัหันมีอสี่ระดับอวิชานทีมปกคุมไม่ให้รู้หสี่ระดับแต่ในชั้นสุดท้ายนี่คือดับตัวของอาภัสยานี้ทั้งหมดดับหมดอาภัสยาก็ดับไม่มีอาภัสย์ดับอาภัสระแล้วถามว่าเมื่อดับอาภัสระแล้ว ไออารพรที่เป็นตัวเบียดตาย เ, เกิดเลยเนี่ยเกิดตายเกิดตายอย่เนี้ยเมื่อดับมันได้แล้วปั๊บเนี่ยจะมีไปอุบัติในนิพพานมันก็ไม่มีการอุบัติไม่มีการอุบัตใช่ไหมหล่ะนี่คือเราตอบกันได้ไง่ายๆเลยไม่มีการอุบัติที่พานจึงไม่ใช่ภาวะการอุ ป, ปัติและไม่ใช่การจุติและไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการไปไม่มีการมาทีนี้มงคนบอ ก, <S <S บอกเห็นผู้ไดเจ้ามาจากนิพพานเห็นพระอริยสงฆ์มาจากนิพพาน ใช่ <c oughs> เห็นในนิมิตนะ <c oughs> เห็นจริงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาจริง <c oughs> เป็นเพียงแค่การฉายภาพโดยอํานาจของพระรัตนตยที่แสดงให้ทราบต่อกัน ร, ระหว่างจิตกับจิตทางด้านสมมุติแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ไดีออกจากที่พานแล้วมาหามาเยี่ยมเยียนสาวกพุทธสาวกไม่มีจำไม่เลยไม่มี <c oughs> แต่การที่ที่นั้งสมาธิแล้วไปเห็นเห็นตามภาวะแห่งนิมิตที่ถูก พลังอำนาจพลังนาำฉายภาพเป็นนิมิตให้ทราบให้ทราบความปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ปรากฏแบบมาจากที่พานและมาปรากฏอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนิมิ ต, ปนนมตแปลว่าเครื่องหมายแห่งความเป็นพระพุทธเจ้ามาแสดงตอบ ต, ต่อจิตเราเท่านั้นเองนิมิตมันก็เป็นนิมิตเหมือนกับ พระพุทธเจ้าเราได้นิมิตเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่ชาติก่อนแต่อดีตชาติพระพุทธเจ้าพระมห า, าพาราะเจ้าคณะกัสปัตถสพ น, น, น ก, กัคคูสันท่าโคนาขามานกัสปัตถทั้ง3พระองค์นี้อุบัติมาก่อนเราและเป็นพระพุทธเจ้าโกงโกงไปเห็นอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนออกจากทิพย์พานมาแสดงคาวะให้พระองค์เห็นไม่ใช่แต่พระองค์ย้อนกลับไปโดยอ า, อาศัย ปุบเบปุบเบนิวาสารุสติยันปุบเบไ อ, ไอการรู้ชาติผลหลักเป็นเรื่องของนิมิตของชาติก่อนนั้นเลยนะนิมิตเขาเรียกเป็นนิมิตเป็นภาพแห่งเครื่องหมายของอดีตในแต่ละภบแต่ละชาติที่สะสมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ต่างๆการบำเพ็ญการทําคุณงามความดีรพระองค์ทราบหมดว่าอยู่ในฐานะในตระกูลใดเชื้อชาติผิวพรรณดํารงชีพด้วยอาหารแบบไหน เลี้ยงชีพด้วยวิธีการอย่างไรบำเพ็ญอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องนิมิต ท, ทั้งนั้นเลยรู้รู้ชาติของหลังผล ห, หลักนี่แหละพวกชาดกทั้งหมดเป็นนิมิตเป็นนิมิตเพราะผู้ที่เช่าบอกว่าพระเวสสันดรในชาติก่อนไม่ใช่ว่าดวงจิตของพระเวสสันดรสันดรของชาติก่อนเนี่ยเคลื่อนตัวมาเกิดเป็นเจ้าชายเสือขาไม่ใช่ดวงจิตของเวสสันดรในชาติก่อนนั้นเกิดอยู่ในรูปร่างของเวสสันดรกริง แต่เมื่อเบสันนนตายแล้วดวงจิตนั้นก็ดับพร้อมดับแล้วดับพร้อมคือดับเลยแล้วดับไม่มีเหลือดวงจิตของเบสันดรเคืออนตัวผ่านมาเป็นพระพุทธองค์ไม่มีรูเจ้าว่าดวงนั้นดับแล้วเกิดแล้วก็ดับแล้วในที่นั้นเกิดในอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตไม่ได้เกิดดับในอดีตแล้วมาม า, มาเกิดเป็นตถาคตไม่ใช่อันที่มาเป็นใหม่คือปรุงแต่งใหม่ดวงจิตที่ปรุงแต่งใหม่แต่ซื้อมาจากโน้ เข้าใจไสื่อมาจากเวสันดอนนะเข้าใจไห ม, ไไหมคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติหมายถึงว่าจิต ด, ดวงเก่าดับไปดับไปเพืบจิต ด, ดวงนั้นหากปลอบไปด้วยโทสะจิตนะโทสะจิตที่ดับไปปับ๊บคุณสมบัติหรือว่าตัวโทสะเนี่ยตัวจิต ด, ดับไปจริงอยู่แต่ว่าตัวคุณสมบัติของมัน่ มันจะถ่ายทอดไปสู่จิตดวงใหม่นะแต่ตัวจิตนั่นดับไม่เหลือแต่คุณสมบัติของจิตจะถูกถ่ายทอดมาสู่จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาปึ๊บคือดับพร้อมกับเกิดไม่ก่อนไม่หลังพร้อมกันเลย<ม>เร็วมันเร็วมากดับพุ๊บเกิดปั๊บเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติของจิตนั้นกับตัวจิตพลันพลันเลือกกันนะไม่ใช่อันเดียวกันเราตอนเป็นเด็ก สิ่งที่ถ่ายทอดจากความเป็นเด็กมาถึงความเป็นเราเนี่ยคืออะไรเอางี้ไดกว่าความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่กอไก่คอไขน่นี่ยแล้วทําไมความรู้นั้นถ่ายทอดมาถึงเราในปัจจุบันนี้ได้หากบอกว่าคุณสมบัติมันดับไปแต่ว่าความความรู้ที่เราเรียนตอนเป็นเด็กมันก็ต้องไม่ตามมาด้วยแล้วแต่ตัวความเป็นเด็กตับดับใช่ไหมดับแต่สิ่งที่เรียนรู้ตอนที่เป็นเด็กสืบเรื่องมาเห็นไหม จิตไม่ใช่จิตดวงเดิมไม่ใช่จิตดวงเก่าและจิตเดิมไม่มีดับขณะผู้เจ้าจึงไม่ทราบขณะแห่งจิตทุกทุกขนาดขณะนี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้เป็นนี้ขณะนีเนะน้เป็นอกศนุศลขณะนี้เป็นกุศลพู้เจ้าจึงไม่ให้เราไปติดกับอกศุศลให้ยินดีในกุศลเพราะกุศลจะจะดึงเราไปสู่ภาวะสูงทีนี้บางคนไปทําอกศุศลมาปุ๊บติดอยู่กับแต่ว่าโอ้เราไปทําอันนั้นมาเราไปทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ตีอยู่ทั้งวันไม่ยอมวางขนาดนั้นลงเข้าใจว่าเป็นเป็นตัวตนเองอยู่ตลอดเวลาเราไปทําเราไปทําเราไปทำใส่ร้ายตัวเองอยู่ตลอดอันนั้นมันดับไปแล้วถ้าไปคิดแต่อยู่อย่างนั้นไม่สามารถพ้นจากวิบากและไม่สามารถพ้นจากกองได้พูดยาว่าราจารย์ทำนั้นก็แสดงว่าจิตเราเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาใช่ตลอดเวลาแล้ววินาทีนึงเกิดดับไปแล้วแสนล้านครั้ง มันไม่มีจิตดวงเก่าเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวที่ไม่ตลอดที่เวลาเป็นแต่ว่าคุณนสุบัติพอกมันนะอย่าลืมนะคุณนสุบัติที่มันจะถ่ายทอดมาโอ้ยแสดงว่าการถ่ายทอดมันเร็วมากเร็วสินี่ก็นการการถ่ายทอดนี่ออกไปก็เหมือนกันเลยน่ะพูดอยู่นี่แต่มันถ่ายทอดออกไปรวนทั่วประเทศถามว่าอาตมาเข้าไปอยู่ในนั้นมันไม่ได้แต่มันเป็นคุณนสุบัติในแต่ละอันที่มันสื่อออกไปอย่างนี้ถ่ายทอดกันออกไปอย่างนี้ คุณสบัติที่จะส่งผลของคืออนหนักจะมาคือใช่อันหนักจะส่งผลก่อนอันเบาก็ตามมาเป็นระลอกต่อระลอกเพราะฉะนั้นอาพาธราจิตมีรู้นิพพานปั๊บดับแล้วคุณสมบัติทั้งมวลก็ดับเพราะพระนิพพานแจ่มแจ้งแล้วและพระนิพพานปรากฏชัดแล้วต่อจิตพอพระนิพพานปรากฏชัดแล้วต่อจิตพอดูงนี้ดับหมดพึบ พูดถึงเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยครับใจรู้อยากถามเรื่องเรื่องเพงนี่านมันดับไปแล้วเรื่องเรื่องแต่ก็อนุเะ์คนที่ยังไม่เข้าใจและที่จะถามยัต่อจร่างเี้พูดถึงนิพานมันมันมันไม่รู้จะถามเลยคอเงียงัับหดแล้วเนาะเมอคิดออกเลยสุดอยู่ที่นิพานนอที่สุดแล้วแต่ว่าก็บางคนไม่รู้หลายอย่างครับ เอาเอาคำถามใครก่อนเอาคำถามในนี้ก่อนไ้อานัตตานาอานัตตาอานัตตานะอานัตตานะอานัตตงมีบางท่านสงสัยว่าจิตคือผู้รู้ไม่มีการเกิดดับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้จิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ใช่จิต ผู้รู้เป็นเนมิตตะกนามสําหรับจิตที่เกิดความรู้ในอริยสัจสี่จิตของพระเจ้าชายสิทธัตถะออกบําเพ็ญตอนนั้นยังไม่เกิดจิตผู้รู้ยังไม่เกิดจิตพุทธะขึ้นก็จนกว่าตัสรุอริยสัจสีพุทธะในจิตจึงเกิดขึ้นเป็นเนมิตตะกนามคือเป็นคุณสมบัติของจิตแล้วจิตผู้รู้นี้เป็นจิตคุณสมบัติพิเศษเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธะ ผู้ที่ได้นามว่าสมาสมพุทธเท่านั้นจิตของผู้ที่นอกเหนือนจากนั้นเป็นเพียงแค่จิตของสาวกพุท ธ, ธคือผู้รู้ตามทะรู้ตามอริยสัจก็คือว่าเป็นสาวกพุท ธ, ธะตัวจิตดั้งเดิมตัวจิตธรรมชาติแท้ๆของมันไม่ใช่ผูร้รู้มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรก็เพราะว่าเขาว่าไมไ่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยนะคล้ายๆกับว่ า, วามันเป็นธาตุชนิดหนึ่ง มันเป็นธาตุเป็นเป็นอาภาาัสราราธาตุแห่งแสงเป็นนามทีนี้ตัวจิตเนี่ยเราต้องแยกออกจากอายตนะเราต้องเข้าใจว่าจิตจะสามารถรู้ได้มันจะต้องรู้ผ่านอายตนะคือมนอายตนะหรือมโนนั่นเองคือใจเหมือนกับร่างกายเราเรามีร่างกายอยู่ตัวตนของเรารูปร่างขึ้นมา เราจะรับทราบสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เราต้องมีอายตนาเป็นตัวรับถ้าเราไม่มีตาเสร็จแล้วเราก็รับรูปไม่ได้ไม่มีหูเราก็รับเสียงไม่ได้เราก็ไม่สามารถรู้เสียงไม่มีจมูกเราก็ไม่สามารถรู้กลิ่นได้ไม่มีลิ้นเราก็ไม่สามารถรู้รสได้ไม่มีกายสัมผัสเราก็ไม่สามารถรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับกายได้ไม่มีมโนไม่มีใจมานายตนะอายตนะคือใจตัวนี้ไม่มีจิตก็ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ใช่ธาตุรู้มาแต่เดิม มันรู้อะไรไม่เหลืไม่ได้แต่เนื่องเพราะว่าจิตนั้นมันมีอายตนะคือมนายตนะอายตนะคือใจเนี่ยใจจึงรับรู้เมื่อใจรับรู้สิ่งใดก็ตามรู้รู้ธรรมอารมณ์นั่นแหละรู้ธรรมารมณ์จึงเกิดเป็นมโนบิญญาณเรารู้ภาพจึงเกิดเป็นจักรปุบิญญาเรารู้เสียงจึงเกิดเป็นโสตบิญญาณอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใจมันกันรู้อารมณ์จึงเกิดเป็นมโนวิญญาณนั่นคือความรู้ของใจจิตจึงรู้ตามการรับรู้ของใจตามอายตนะ หาไม่มีอายะนะจิตก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่มีการเกิดไม่มีการดับเกิดดับตลอดเวลาไอ้ที่บอก <_ ull Baker> ไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่ใช่จิตเกิดดับอาพัสละนี่แหละเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับตลอดเวลาอาพัสละนี่พัสระธาตเพราะมันเป็นสังขตะอระพัสละอยอู Al ่ในส่วนสังขตะคือการปรุงแต่งมันปรุงแต่งตัวมันเองมันก็เกิดดับตัวมันเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในตวั Al ตวของมันเ Al อง ที่เข้าใช้ว่าไม่เกิดไม่ดับนั้นผิดและเป็นวิชาทิ่ผิอันไม่เกิดไม่ดับมีอยู่อย่างเดียวคือพานิพานเท่านั้นจิตอาภัสระรู้นิพานปั๊บอาภัสระแม้เกิดดับแต่อารมณ์คือพานิพานนั้นไม่เกิดไม่ดับมันไปรู้อยู่นั้นแต่เราจะไปบัญญัติการรู้ในนิพานว่าไม่เกิดไม่ดับว่าเป็นจิตไม่เกิดไม่ดับไม่ได้เข้าใจไหม ต้องการอธิบายเพิ่มเติมไหมล่ะถ้าต้องการอธิบายเพิ่มเติมถามเพิ่มเติมเข้ามาอีกโยมไดซีโยมแอนจิตนี่จริงๆมันฉลาดและมีความรู้เยอะกว่าเราใช่ไหมคะเพราะสังเกตว่าสอนจิตบรรจุความรู้ลงไปด้วยการศึกษานี่ไปไปมามาสอนเข้าสอนเข้ามันกลายมาสอนเราก่อนแสดงอะไรออกมาก่อนที่เราจะไปรับเรื่องนั้นต่อมาในเวลา คือถ้าบอกโดยธรรมชาติแล้วจิตมันไม่ได้มีความรู้เลยไม่ได้มีมีความชนดอะไรแต่ในเรื่องที่ว่าจิตมันมีความรู้และมีความชนดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าจิตมันผ่านพบผ่านชาติมาผ่านเรื่องราวผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านรู้ผ่านไม่รู้ผ่านผ่านต่างๆมาแล้วแต่ละภกชาติอันนั้นเป็นคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติที่มันสืบเนื่องมาแตความรู้ความชนดความอะไรต่างๆนานาเนี่ยสะสมนาใช่มันสะสมมานานแม้อตมาจะรู้ รู้อะไรต่างๆเอามาพูดให้ฟังนี้ได้นะก็คือไปรู้มาก่อนนะคือแต่ตัวจิตมันไม่ได้มีความรู้เพิ่งจะเข้าไปรู้เมื่อปฏิบัติตามหลักของพระพุทธเจ้าเพอเข้าไปรู้ปับ๊บอันนี้เป็นคุณสมบัติอยู่กับจิตนะพอเป็นคุณสมบัติปับ๊บก็เอาคุณสมบัติของจิตที่มันเกิดความรู้เนี่ยเอามาเอามาบอกมาถ่ายทอดอันที่ไม่รู้นั้นก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละก็มันไม่ไม่สามารถเป็นคุณสมบัติของจิตได้อันที่อาตมาไม่รู้ก็มากมายเยอะแยะแล้วมันก็ไม่ได้สามารถมา มาเป็นความรู้ประกบกับจิตเลยบุคคลที่เข้าถึงรำไม่ว่าจะเป็นพระอาราหันต์พระอริยเจ้าประเภทใดก็ตามหากไม่ใช่สัพพัญญุตยานเหมือนพุทธเจ้าไม่สามารถรู้เรื่องได้หมดทุกเรื่อง ม, มีแต่พุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้เรื่องหมดทุกเรื่องต่ำกว่านั้นรู้เฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้อันที่ตนเองไม่รู้ก็ไม่สามารถรู้ยังไงก็ไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ยังไงก็ไม่สามารถรู้รู้เฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้ให้พระอรหันต์ไปในเส้นทางที่ไม่เคยไปก็หลงได้พระอรหันต์นั้น จนมีเทวดามันอะไรเทวดาโผล่มาปุ๊บมานําทางไปจิมจะไปถูกก็มีต้องอาศัยเทวดาเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมละ่ะพราะนั้นถ้าจิตมันเป็นความฉลาดเนี่ยมีความรู้เยอะกว่าเราเนี่ยแสดงว่าจิตมันสั่งสมความรู้ในด้านในด้านในด้านที่มันเคยรู้มาก่อนนั้นมาเยอะอันความรู้ใหม่ที่เราเพิ่งจะมาเรียนรู้ในพบนี้ชาตินี้มันแค่เสี้ยวเสี้ยว เสี้ยวสิบกเี่ยสี้ยวที่ยี่สิบหรือเสี้ยวที่พันมันก็ไม่รู้อันความรู้ในชาติเนี่ยของความรู้ทั้งหมดที่มันเคยสะสมในจิตมาอันที่เรารู้มันเลยไม่เพียงพอต่อต่อในในจิตที่มันเคยรู้มาก่อนหน้านั้นนะมันก็เลยย่ยเราสอนเรารู้อะไรต่างๆนานาเนี่มันแลกแต่ความฉลาดของมันนะจิตนะกูรู้แล้วบอกเลยต้องมาสอนกูเป็นเรื่องของจิตแต่ก็เป็นนิสัยของคนด้วย ใช่ไหมคนบอกูกูรู้แล้วแต่เพียงแค่คนไอ้รู้แล้วนี่แหละถ้าแล้วจริงๆมันก็แบบดับกิเลสหมดแล้วใช่ไหมอันนั้นรู้ยังไม่แล้วจะแล้วแล้วมันไม่แล้วสักทีไงมันก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกตายอีกเกิดอีกก็รู้อยู่นั่นแะมันบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วจริงจริงคือแล้วสุดแล้วคือไม่เกิดอีกหมดแหละคือแล้วอันนั้นยังรู้ไม่แล้วหมดนะโยช่าถาม เรีว่าเมื่อเช้านี้ปีประเด็นที่ว่าการนำสัตว์มีชีวิตมาถวายมีบุญมีโชมีบาปมีบุญอย่างไรอ๋อมีบางคนไม่เข้าใจเมื่อเช้านี้รับฉันอาหารที่ทางโยมลงครัวทําถวายมันเป็นไข่บดแดงแตมาเคยบอกกับลูกศิษย์ลูกค้ามานานแล้วว่าอย่านําไข่บดแดงมาทําเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เป็น คือคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่พอที่ก็เกิดคําถามขึ้นมานี่เอามาจากไหนมาอย่างไงเราไปซื้อเข้ามาสับเด็จคือเป็นอนาหารสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วคือมันผ่านการภาคชีวิตมาแล้วแต่กนะ็เราไม่ได้ไปรับรู้เรื่องการภาคแล้วมันเป็นอนาหารสําเร็จเราไปซื้อมาอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นเอามาเป็นไข่ที่เป็นตัวชีวิตเป็นตัวไข่ไขที่เขาออกมาจากลังเนี่ยไข่มดแดงแล้วเอามาทานะั้เป็นการภาคชีวิตเขาคือว่า เป็นตัวอย่างที่มีดีสําหรับผู้พืชทำคือใครบอกว่าเป็นผิดมากไหมถ้าไม่เจตนามันก็เพราะพี่ย่าอกต้องมีแรงเจตนาด้วยมีแรงเจตนาถึงว่าเป็นการละเมิดแต่ทีนี้ไม่มีเจตนาเพราะว่าคาดว่าคงจะไม่มีเจตนาเพราะว่าคนที่ให้มานะั้นน่ะอยากทําบุญคนที่เข้าไปหามาเนะ่ะไม่รู้ๆไงอยากจะทําบุญแล้วแล้วขอบอกขอเอาไข่บดแดงที่ได้มาเนี่ยเอาไปทําบุญกับพระ ฝากโยมเข้ามาโยมเขาก็ลังเลอยู่ว่าที่จะรับหรือไม่รับดีเพราะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาบอกว่าไม่รับคนที่ฝากมานั้นก็จิต ก, ก็จะเสียความเป็นกุศลไอ้คนที่ความชอบเป็นชาวบ้านเขาหากินสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้คิดคำนึงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเขาก็คิดแต่ว่าเป็นอาหารเขามองเป็นเรื่องแค่อาหารเพราะฉะนั้นการที่เขาให้สิ่งเหล่านี้มาเขามองอยู่ในรูป ของอาหารแลว้วแต่เรามองทางทำเรามองว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่โยบก็รับมารับมาแล้วก็ใช้ระยะเวลาเดินทางมากี่กี่วันเจ็ดชั่วโมงกว่าจะเอามาทํานี้ใช้เวลาเท่าไหร่เจ็ดชั่วโมงกระมเณนี้เจ็ดชั่วโมงก็ไม่แน่ใจว่าในร ะ, ะระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงนี้มันมันมันผ่นาชีวิตไปหรือ ย, อยังหรือมันเสียชีวิตไปหรือยังต่ารกันนึกว่าเอามาหมัดหมัดในใหม่ไม่ไม่ทันข้ามบันข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามมายังไงไปยังไงก็ถามมาเพราะฉะนั้นการนํา แต่ก่อนก็เลยเคยสงสัยไข่สอบถามไปในหลายที่ก็บอกไข่ไม่ไม่มีชีวิตเป็นไข่แบบเรียกว่าไข่อะไรนะไข่ลมไข่ลมไข่อะไรเนี่ยโปรกเนี่ยก็เลยอ่าโอเคงั้นเอามาทําอาหารได้ไข่ฟาร์มอืมเป็นไข่ฟาร์มไข่อะไรแต่ถ้าเป็นไข่บ้านต้องให้สําเร็จรูปจากที่อื่นมาก่อนก่อนที่จะเอามาที่สํานักนี้ให้สําเร็จรูปจากที่อื่นมาก่อนไข่มดแดงนี่ก็เหมือนกันพรามันยังเป็นเห็ดที่มีตัวอ่อนๆอยู่ก็มีตัวเป็นไข่ก็มีก็เลยบอกว่า ถ้าเป็นไปได้อย่าเอาตัวสดๆมาทำอาหารจะถ้าจะทำที่อื่นก็ให้ทำที่อื่นมาแต่แต่เอาเข้ามาในที่นี้มันเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็บอกกันไหมอันนี้เป็นความสงสัยจริงๆ ก, ก็บอกกันไม่นานแล้วว่าอย่านำไข่มดแดงขึ้นมาทำเป็นหนักอีกอย่างนะที่คนชอบก็เซื้อไก่ซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยมาพวายทักไ ต, ตรงนี้ไม่ได้ไ บอามาเพื่อตัวเองคนนี้ใจสัตว์ที่ตายแล้วหรือยังไม่ตายถ้ายังไม่ตา ย, า ย, ตายเราจะซื้อมาเพื่อประสงค์จะทําบุญเจาะจงเพื่อทําบุญไม่ได้สัตว์ที่ยังไม่ตายเรานํามาเพื่อฆ่าแล้วบอกว่าจัดทําบุญการตั้งใจไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์เพื่อทําบุญมีบาปมากกว่าฆ่าโดยปกติดำเนิ้เลยนะ การตั้งจิตคิดว่าจักฆ่าสัตว์เพื่องานบุญบาปกว่าฆ่าเพื่อเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่เราควรจะกระทําก็คือเรานําสัตว์นั้นมาเพื่อเอามาเลี้ยงชีพเราคือมาเป็นอาหารของเราสัตว์ที่คือเราหลีกเลี่ยงการสําหรับคนที่หลีกเลี่ยงการฆ่าไม่ได้นะอันคนที่หลีกเลี่ยงการฆ่าได้แล้วก็อยู่ในส่วนของ ผู้หีกเลีเ่ยงไปอย่าอย่าเอาข้อนี้ไปเป็นข้อวิธิใช้แต่สําหรับผู้ที่ยังอยู่ในวิธีขอการฆ่าอยู่ต้องฆ่าโดยเอาสัตว์นั้นเป็นอาหารของตัวเองคือเราเราจะเอาอันนี้เป็นอาหารของเราเมื่อฆ่าสัตว์เป็นอาหารของตัวเองแล้วแล้วเรามาตั้งใจว่าเราจะแบ่งส่วนอาหารของเรานี้ไปถวายพระคือเสร็จจากการฆ่าเนี่ยคือแบ่งเป็นมันสันเดชรูปเป็นอาหารแล้วนะแบ่งส่วนอาหารนี้ไปถวายพระนั้นได้บุญแต่ถ้าประสมทัดเย็นแล้วว่าฆ่าหมู ค่าวัวค่าเป็ดค่าไก่ทำบุญ <Okay. S 1> บาปมากกว่าค่าโดยปกติเ <Okay. S 1> ข้าใจอย่างงั้นบาปมากมากๆเลยผู้สั่งฆ่าได้รับโทษนะ่ะผู้ฆ่าได้รับโทษลองลงมาผู้เห็นการฆ่าแล้วไม่ห้ามก็ได้รับโทษลองลงมาผู้ที่เข้าไปร่วมงานบุญ ที่เขาฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญโดยประสงค์ว่ากูจะได้กินนะกูจะได้กินอิ่มๆิ่มแล้ววันนี้ก็ได้บาปลดถอนลงมาตามลาดับหากเป็นบาปที่หนักยาบอกว่าผู้สั่งฆ่านะหากหากทำอยู่เป็นอาจินไปสู่นรกผู้ฆ่าไปสู่กำหนดสัตว์เดรัจฉานคือไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าอีกผู้ยินดีคือเห็นเขาฆ่าแล้วไม่ห้ามไม่ห้ามการฆ่าของอื่น แล้วคิดอินใจดีแล้วแหละกูก็จะได้มีส่วนนะอันนี้เป็นเปรตผู้เป็นเป็นเปตอาสุรกายคนนั้นผู้ผู้ไปร่วมงานกินการฆ่านั้น่ะก็เป็นพวกผีปีศาจในกรณีสุดท้ายเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเราเจอรู้หรือไม่รู้ว่าเขาฆ่าแต่เราไปร่วมงานก็มีผลไมใช่ไมไม่มีผลถ้าเราไม่ดู้ผู้เจ้าผู้ทเจ้าบอกว่าไม่รู้ว่าเขาฆ่าไม่ได้ยินว่าเขาฆ่า แล้วไม่ได้ต้งเกียดว่าเขาฆ่าเพื่อเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อการลิกินได้เป็นอันบริสุทธิ์เนี่ยในวิธีการอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้งเกียดไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ต้องเกียดทราบรู้แต่ไม่ได้ห้าก็ถือว่าพีชใช่ไหมถ้ามีในใจได้ไหมครับอาจารย์ห้ามแต่เขาเขาไม่ทําตามไม่เป็นไรแต่ต้องห้ามไว้ก่อนบอกโอ้อย่างนี้ไม่ดีนะบอกไง ก็ผิดโทษเอาแล้วแต่โทษของเขาก็แล้วงตัวเขาแต่โทษเราไม่ให้มีโทษเนี่ยอไปบังคับไม่ได้คำว่าห้ามหมายความว่ามึอยากท่องเด็ดขาดอะไรประเทศนึงไม่ใช่ไม่ใชบอกปากเนี่ยบอกปากเพื่อให้เราไม่มีโทษตัวเราพรเราไม่เห็นใช่ไหมเราไม่เห็นเราใช่ไม่ดีนะในห้ามต้องห้ามือกันวิชีโชคไม่เขาได้เห็น เขอ่มนมีโทษใคนก็รู้ว่ามีโทษแต่เาไม่รู้เาซ้ำใไใช่ีโทษนะมันมีดีนะมีโทษนะพระเจ้าบอกอย่างนี้ก็บาปไปยมายุ่งกับกูอะไรเขากก็ไม่ยุ่งแล้วทีนี้คือไม่เกี่ยวกับบาปคนละส่วนแล้วทีนี้ไม่ยุ่งจริงๆแหละบาปมันก็ไม่ยุ่งกับเราแล้วยุ่งแต่กับเขาแล้วทีนี้บาปแต่มันวิธีการ ผู้เรามีวิธีการเอาตัวรอดกับความเป็นอยู่ในสังคมนี้การเรียนรู้พุทธศาสนาจะทําให้เราฉลาดขึ้นอย่างนี้แหละคนเรียนธรรมะไม่ได้โง่นะประลาดนะมดหรือมัอ้งนั่นก็พอสมควรแก่เวลาตอนนี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่ติดตามชมอยู่ให้มีความสุขความเืน่นเต้ทุกท่านทุกคนเทิาน One, two, one, t w